เป็นคนที่มีฉันทะมากเนี่ยนะเรียกว่าทําอะไรก็หมกมุ่นแล้วควรจะหมกมุ่นอยู่ในเรื่องอะไรบางคนนี่ยขยันจริงๆเลยเนี่ยนะแล้วขยันทําอะไรบางคนนี่แม้เหมือนก็มีความรอบรู้ไปทุกเรื่องเลยนะรู้อะไรเนี่ยนะบางคนนี่แหมเครวจ่ายของเขาเนี่ยเขาชอบมากถ้าได้ชอบอะไรแล้วก็ถึงกับแทบจะงมงายอยู่กับสิ่งนั้นแล้วสําสคัญว่ามันชอบอะไรล่ะบางคนนี่ยขยันจริงๆเลยนะ ขยันตื่นตั้งแต่ตีสามนอนสี่ทุ่เนี่หรือนอนห้าทุ่มตื่นตีสามก็ขยันอยู่ยแล้วขยันทําอะไรมันทําไมมันมากขนาดนั้นอย่างเงี้ยไอ้สำคัญที่สุดนะครับว่าอธิบดีเนี่ยอธิบดีอยู่ที่ใจของเราเนี่ยควรจะให้เจริญไปอย่างไรแม้กระทั่ง อ, อินทรีย์หรือพร ะ, ะเนี่ยนะอินทรีย์หรือพร ะ, ะของเราเนี่ยตั้งไว้เพื่ออะไรเพมันการตั้งใจนี่จึงเป็นตัวที่สําคัญมันโดยเฉพาะใจที่ตั้งไว้ที่จะรอบรู้ในพุทธคุณเนี่ยก็สําคัญมาก ใจที่จะปฏิบัติไปตามพระ พ, ะพระธรรมคุณและใจที่จะต้องเป็นผ้าเรียเจ้าเช่นกับพระสงฆ์ทั้งหลายอันนี้ทํำยังไงเราจะตั้งได้บ่อยๆขึ้นถ้าเราตั้งใจได้บ่อยเท่าไหร่เราก็จเจริญในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลที่กว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยากมากอันใครที่จะพบพระพุทธเจ้าต้องเป็นคนที่ตั้งใจไว้มากเอางี้ดีกว่า ภาวะของพระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งใจไว้นานขนาดไหนจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าบอกแค่ตั้งใจเฉยๆใช่ไหมถ้าตั้งอยู่ในใจเฉยๆเนี่ยยี่สิบอสงไขยแสนกัปถ้าคิดบอกภาวะที่ตั้งอยู่ไว้ที่ใจแล้วถามว่าจัดแจงด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยนะถึงกับกล้าพูดเป็นต้นเนี่ยเท่าไหร่ก็ถ้าอยู่ในใจเฉยๆเนี่ยอ่ะอ่ะ ถ้าสมมติอย่างพระพุทธเจ้าของเรานะคิดอยู่ในใจเมื่อ20่อสงไขยแสนกับถ้าหากว่าคิดอยู่ในใจเฉยๆเนี่ยเจอสงไขยพอเจอสงไขยก็ทำบุญแล้วก็เปล่งวาจาอีก9อสงไขยเจบวก9ก็เป็น16เมื่อครบ16อสงไขยจึงได้รับพุทธพยกรณเราทั้งหลายจะมาพูดถึงพระองค์ต่อเมื่อพระองค์ได้รับพุทธพยกรณที่เป็นท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะ เป็นท่านโซเมศบันดิตผู้มีปัญญามากเราก็จะมาพูดถึงจุดตรงนั้นแต่นั่นเป็นภาวะของการรวมกายรวมวาจารวมใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนจึงได้รับพุทธพยากร์มันเมื่อรวมกายวาจาใจเป็นอันเดียวกันว่าข้อปฏิบัติของท่านเพื่อมหาโพธิญาณอย่างเดียวแล้วท่านก็ตั้งตั้งไว้ที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกธรรมะรวบรวมคุณธรรมแล้วก็ทาอย่างต่อเนื่องทาด้วยความ จริงจังเนี่ยนะแล้วก็จริงใจทําเอาว่าทุกอย่างทําแลกด้วยชีวิตเนี่ยนะพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นการตั้งใจมาขนาดไหนก็สิ่งที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมันอะไรนะสิ่งที่วิจิตพิสดารประณีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้รับการเพาะได้รับการบ่มได้รับการสั่งสมเป็นมาเป็นอย่างดีอย่างในโลกเนี่ยหลายๆอย่างเลยนะ ที่ที่เป็นความดีดๆทั้งหลายของเยี่ยมเยี่ยมประเสริฐเนี่ยเกิดจากการเพาะการบ่มการอบรมอย่างความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นการบ่มรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่าจะมาเช่นเป็นกับเช่นกับปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นเป็นความรู้ที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างมากมายชั้นใดการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เป็นเป็นผลมาจากการอบรมเป็นผลมาจากการบ่มมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะจึงได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสรู้ตามก็เหมือนกันถ้าไม่มีการเพราะการบ่มการสร้างการการสร้างสมอัธยาศัยมาอย่างดีเนี่ยนะยากที่จะตรัสรู้ได้เพราะคนที่จะตรัสรู้ได้ต้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีจริ ง, รงๆเนี่ยนะอัจยาศัยดีจึงจะตรัสรู้ทำตามพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นพระพุทธคุณเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ในอัธยาศัยของเราเนี่ยนะให้อยู่ในใจของเราให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดเพราะถ้าเรารู้พระพุทธรู้พุทธคุณเท่าใดก็จะรู้จากพระธรรมคุณมากเท่านั้นนี่ต่อไปเนี่ยนะบอกว่าถ้าจะแบ่งยานของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นหมวดเจ็ก็คือยานที่แจ่มแจ้งในโพชงเจ็เนี่ยนะยานที่แจ่มแจ้งในโพชงเจ็ดนี่แหละโพชงเจ็ดคืออะไรคือธรรมที่ อยู่ในฝักฝ่ายการตรัสรูโ้โพธิแปลว่าการตรัสรู้องค์นี้ก็คือองค์ประกอบนะอะไรเนี่ยะตัวองค์ประกอบที่ทำให้เกิดการตรัสรู้หรือผู้ที่ตรัสรู้เนี่ยจะต้องเจริญโพ่อชงนะเจริญองคุณคุณธรรมต่างๆจึงจะเกิดการตรัสรู้ได้พระองค์รู้สิ่งที่ทำให้เกิดการตรัสรู้ได้รู้จากข้อปฏิบัติที่ทาให้เกิดการตรัสรู้ได้เนี่ยนะราะ มีปัญญามากเนี่ยอย่างสมมติถ้เราอยู่เฉยเฉยเนี่ยนะถ้าเรานั่งอยู่เงียบเงียบเนี่ยเรารู้ว่าเราจะตรัสรู้ได้ยังไงนะสมมติถเรานั่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยนะเอ๊มจะรู้อะไรมันจะตรัสรู้ได้ยังไงแล้วมันรู้อะไรได้บ้างเององงเหมือนกันนะไม่รู้ขึ้นต้นตรงไหนเหมือนกันแต่พระองค์นี่จำเนกได้เจมแจ้งว่าเออเนี่ยสติสัมโพชฌงนี้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงนี้วิรยิยาน้ปิตินี้ปสัสสธินี้สมาธินี้อุเบขาสัมโพชฌงทัพโพชฌงประชุมกันตรัสรู้ได้นะ แล้วก็โพธชงเหล่านั้นแล้วก็บอกว่านี้เป็นไปตามมาร์8นะสติสัมโพธชง์ก็คือสัมมาสติสติประธานสีธรรมวิจยะสัมโพธชงก็คือสัมมาทิฏฐิที่ททรู้อริยศาสาศี่แล้ท่านจำเนกได้นะแจมแจ้งขึ้นมาได้เข้าใจได้อะท่านคิดได้ยังไงนะท่าคิดดู แค si ่ค si ิดตามก็ไม่ใช่จะง่ายอย่างคิดตามให้มันเป็นมรรคแปดเนี่ยคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งทั้งที่แหมทำมาจากกสวดมาจนคล่องไปหมดเนี่ยนะมรควิพัง์เป็นต้นกสวดมาเป็นต้นไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่แต่คิดให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิตามก็ไม่ง่ายนะคิดให้เป็นสัมมาสังกัปปะพูดให้มันเป็นสัมมาวาจาทำให้มันเป็นสัมมากรรมันตะให้เป็นสัมมาอาชีวะเป็นต้นถ้าไม่ตั้งไว้บ่อยๆเนี่ยเราจะเจริญรู้ตามพระองค์ได้อย่างไรเนี่ยนะท่าน ออย่างถ้าโดยลําพังตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยานในโพธชงเจ็ดของพระองค์เนี่ยแจ่มแจ้งหมายถึงว่าพระองค์เห็นใครปับ๊บพระองค์จะสอนเป็นโพชชงหรือสอนเป็นองค์มักหรือโพชชงเนี่ยคนเนี่ยต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษพระองค์จะรู้เล ย, ยนะหรือในบรร namak แปดพระองค์ต้องเน้นตรงไหนเนี่ยพระองค์จะรู้พระองค์รู้ว่าคุณรู้คุณธรรมด้วยและรู้ว่าคุณธรรมเหล่านี้คู่ควรแก่ผู้ใดหรือผู้ใดสามารถที่จะรองรับคุณธรรมเหล่านั้นได้ เพราะพระองค์มีกําลังกําลังสิประการพ ร, ะ, พระองค์รู้ว่าอะไรเป็นฐานะและไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้นะรู้กรรมสมมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันรู้เลยว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้สู่นรกเปรตอสุรกายเป็นต้นในเรวสับพัทธคามินีปฏิปทาญานและพระองค์ก็รู้ความยิ่งอ่าความเศร้าหมองความผ่องแผ้วของฌานสมาบัติเป็นต้นหรือแม้กระทั่งพระองค์รู้ถึง ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายพระองค์รู้ถึงอดีตชาติของสัตว์ทั้งหลายรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ตลอดทั้งรู้ว่าคนแต่ละคนเหล่านี้เขาตรัสรู้ได้ไหมเขาบรรลุได้ไหมเพราะพระองค์มียานในทศพลยานเนี่ยนะอย่างที่ที่ในคำว่าพักวาเนี่ยคําว่าพักวาเนี่จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าผู้นะ้มีส่วนแห่งอะไรมัง่ง นะมีส่วนแห่งฌานสี่อปมัญญาสี่รูปสมาบัติสี่วิโมกแปดอภิพาญตนะแปดอนุปปภะวิหารสมาบัติกสัญญาภาวนาสิบกษินสมาบัติสิบอานาปานาสติสมาธิหรืออสุภสมาบัติเนี่ยนะมีโพธิ ป, ปัจจิกยธรรมสาสเจประการหรือมีตถาคตพระสิเนี่ยนะนะก็คือทศพลยานสิบเวสารัชายานสี่ปฏิสัมพิทาสี่อภิญญาหกพุทธธรรมหกอันนี้เรียกว่ายกหยิบ ย, บยกออกมาเป็นเศษเสี้ยวของ พระพุทธคุณทั้งหลายภาวะที่มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าภาวะแห่งความเป็นพระสัพพัญยูเนี่ยนะภาวะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาวะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากก็คือพระองค์ตรัสรู้ธรรมะหประการแต่ถ้าเป็นทศตรัสสูตรเนี่ยแบ่งออกเป็นธรรมะเป็นหมวด10ประการตรงนี้ในเ อ, อเอกสารสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะหน้าหนึ่งสองที่บอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีบุญมีความสามารถมีปัญญาที่รู้ว่าอะไรควรรู้ยิ่ง น, นะคืเรื่าอภินญญยธรรมเนี่ยพระองค์รู้ว่าทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งทำเหล่าใดควรกําหนดรอบรู้ทำเหล่าใดควรละทำเหล่าใดาควรทําให้แจ้งและทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ควรจเจริญอย่างสมมุติ ถ, ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนะเอาแบบธรรมดาธรรมดาถ้าปิดหนังสือให้หมดเลยเนี่ยนะ เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอะไรควรรู้ยิ่งมั่งนี่เราต้องรู้อะไรบ้างสองแล้วเราต้องกําหนดรอบรู้อะไรบ้างแล้วเราต้องละอะไรบ้างเราต้องทําให้แจ้งอะไรบ้างแล้วเราเจริญอะไรบ้างตรงเนี้นะโอแค่คิ ด, ค, ด, ค, ดคิดอย่างงี้ก็เอ้ยชักไม่ง่ายเหมือนกันนะบางทีนะเราก็นั่งนึกเอ้เราก็ท่องมาตั้งเยอะนเรียนมาตั้งเยอะอ็ตรงเนี้ยเอาแบบว่าลืมภาวะแบบแบบแบบอักษรอักษรเนี่ยนะคิดแบบธรรมดาลองคิดเอาเองเออเองอะไรเองเนี่ยนะ เอ๊ะอะไรบ้างมันควรรู้ยิ่งแต่แวบขึ้นมาจําอะโอ้ทำหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งสัเพสตาหารติติกาค่อยยังชั่วใช่ไหมเอ๊ะมันค่อยนึกตามได้บ้างทำสองที่ควรรู้ยิ่งสังคตะอสังคตะทำสามที่ควรรู้ยิ่งท่าสามทำสี่ที่ควรรู้ยิ่งอริยสัตสีทำห้าที่ควรรู้ยิ่งวิมุตตายตนะห้าคือค่อยๆไล่อย่างเงี้ยถ้าจํำคำสอนได้ค่อยยังชั่วแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นมากระจายในชีวิตเป็นจริงของเราอย่างไร เออแล้วทําอะไรที่ควรกําหนดรอบรู้ทำหนึ่งที่ควรกําหนดรอบรู้คือภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะทำสองที่ควรกําหนดรอบรู้คือนามรูปทำสามที่ควรกําหนดรอบรู้คือเวทนาสามทำสี่ที่ควรกําหนดรอบรู้คืออ่านะทำสี่ที่ควรกําหนดรอบรู้อ่ะนะอาหารสี่ทำห้าที่ควรกําหนดรอบรู้คืออุปาทานขันห้าเป็นต้นหรือแล้วสิ่งที่ต้องเราต้องละอ่ะ ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องละหนึ่งพระ อ, องค์บอกอัสมิมานะนะทำสองที่ควรละคืออวิชากับภาวะตัณหาทำสามที่ต้องละคือตัณหาสามทมสี่ที่ต้องละคื อ, อ น, นะโอคาสีหรืออาสวะสี่เป็นต้นเนี่ยนะหรือทำห้าที่เราต้องละคือนิวรห้าทำหกที่ต้องละก็คือตัณหากายะหกเป็นต้น อแล้วเราต้องทําให้แจ้งอะไรบ้างอ่ะต้องหมายว่าทําให้แจ้งหมายว่าให้มันสุดสุดอ่ะนะให้มันถึงที่สุดเลยอ่ะหนึ่งอักโค์ออบอกว่าอ ก, กุ ป, ปาเจโตวิมุตคือรหัสผลอันไม่กําเริบแล้วต้องให้แจ้งหมวดสองล่ะวิชากับวิมุติแล้วิ่งที่ต้องทําให้แจ้งหมวดสมคือวิชาสามที่ต้องทําให้แจ้งหมวดสี่คือสามัญญผลสี่ทำให้แจ้งหมวดห้าก็คืออะเสกขะธรรมห้าทำให้แจ้งหมวดหก็คื อ, อ อภิญญาหกเป็นต้นเนี่ยนะเอ๊แล้วเราจะทําให้แจ้งนะอย่างไงแล้วถ้าหากว่าอะไรนะแล้วเราต้องเจริญอะไรบ้างเนี่ยเช่นกายคตาสติอันสหรคตด้วยความจําสําราเนี่ยต้องเจริญทำสองที่ต้องเจริญมีอะไรบ้างก็คือสมถะกับวิปัสสนาทำสามที่เราต้องเจริญเนี่ยคืออะไรทำสามสมาธิสามหรือสิกขาสามเนี่ยนะทำสี่ที่เราต้องเจริญเลยคืออะไร สติประธานสี่สัมมาประธานสี่อิทธิบาท4เป็นต้นนะนะหรือทำหมวดหที่เราต้องเจริญเช่นอินรียห้าภละหสัมมาส ม, มาธิที่มีองค์ห้าทำหที่ต้องเจริญคืออนุสติ6กทำเ7ที่ควรเจริญคือโพชฌงเจ็ดทำแ8ดที่ควรเจริญคืออริยมรรคอันประกอบเป็นเท่าองค์8นี่สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือบอกว่าของเรานี่มีพระตไตรปิฎกให้อ่านแนละ้วค่อยยังชั่วมาค่อยเรียบเรียงไปได้บ้างนะนะพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในป่าแล้วท่านคิดได้ อยู่ที่ไหนอยู่ที่ป่าเนี่ยแถวเอาตอนนี้ไม่ต้องป่าหรอกไม่เอาพระไตรปิฎกไปเนี่ยไปพุทธคยาเนี่ยลองไปคิดตามท่านนะนะเรียนมาเยอะเล ย, เยไปเลยเนี่ยไปเดินตามเนี่ยตรงนี้ท่านลอยถาดอยู่ตรงนี้ท่านไปบําเพ็ญเพียรอยู่บริเวณ น, นี้ท่านมานั่งตรัสรู้อยู่ตรงเนี่ยไปให้มันทั่วๆตามพระองค์แล้วจะรู้ใบรู้รู้ตามเนี่ยยังยากเลยนะโดยทั่วๆไปเนี่ยนะบทที่คุ้นเคยกันก็อิติปิโสไปอิติปิโสรอบต้นโผพได้เท่านั้นแหละ ปิปโซโพระขวาอาระรหังสัมมาสัมพุทโธและอระรหังเป็นยังไงยังมากก็สวดมนต์แปลอะระหังไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอความหมายกว้างขวางไปกันนั้นนี่ก็ชักเงียบละอันนี้คือแม้กระทั่งว่ารู้ตามหรือตรัสรู้ตามก็ไม่ใช่ที่เรียกว่าง่ายแต่ถามว่าตรัสรู้ได้ไหมแบบตรัสรู้ได้ดังนั้น พ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคือผู้ที่รู้ยิ่งธทมที่ควร รู้ยิ่งผู้ที่ละธทมที่ควรขอไปผู้ที่กําหนดรอบรู้ธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้ทำที่ละทำที่ควรละทำให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งผู้ที่เจริญทำที่ควรเจริญและก็สอนสอนผู้อื่นได้นะเมื่อพระองค์รู้ยิ่งแล้วพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นรู้ยิ่งตามด้วยพระองค์กําหนดรอบรู้แล้วพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นกําหนดรอบรู้ด้วยพระองค์ละแล้วพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่น ละตามด้วยพระองค์ทําให้แจ้งทําใดที่ควรทําให้แจ้งพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นทําให้แจ้งด้วยพระองค์งเจริญทําใดพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นเจริญคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยก็เป็นว่าการแทงตลอดทำทั้งหมดเนี่ยนะทั้งรู้ยิ่งควรกําหนดรอบรู้ควรละควรทําให้แจ้งควรเจริญเนี่ยที่เขาเรียกว่าตรัสรู้คําเดียวกันเนี่ยสรุปว่ารวมว่าตรัสรู้ว่าเมื่อเราตรัสรู้แล้วเราก็จะให้ผู้อื่น ตรัสรู้ด้วยเนี่ยตรัสรู้ว่านี้ควรรู้ยิ่งไปบอกให้ว่าเออเนี่ยควรรู้ยิ่งนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทําให้แจ้งยังนึกถึงบอกว่าเออเนี่ยก็ท่านสอนกรรมฐานให้หน่อยอย่างเงี้ยเอ้เราจะสอนกรรมฐานว่ายังไงให้เขาเนี่ยรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งให้เขากําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ให้เขาสิ่งที่อะไรให้เขาละในสิ่งที่ควรละให้เขาทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งให้เขาได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะ ก็บอกมไดเ้เอาคำเดียวก็พอได้ไหมอย่างเงี้ยนะก็จะมาว่าเอาไปเอามาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยนะถ้าเรามาคิดดูนะว่าถ้าหากว่าเราจะศึกษาและปฏิบัติให้ตรัสรู้ตามเนี่ยไม่ต้องไปตรัสรู้เองหรอกว่ากันให้ตรัสรู้ตามเนี่ยแค่รู้อยู่แล้วว่าหัวข้อมันคืออะไรชื่อเป็นยังไงสภาวะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรที่พระองค์บอกไว้หมดแล้วทำตามยังจะทำตาม ได้ยากว่า ง, งั้นเถอะอันนี้เรียกว่าเป็นความยากมันเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยน้อมไปเพื่อสอนใช่ไหมตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยไม่น้อมไปเพื่อจะสอนเพราะอะไรก็อย่างยิ่งยุคปัจจุบันนี้เห็นชัดเลยเนะยังแค่บอกว่าอย่าว่าตรัสรู้ตามหรืออะไรเลยแค่ให้เขาฟังก็ยังไม่อยากจะฟังเลยว่า ง, งั้นนะสิ่งที่คนไม่ค่อยชอบฟังก็คือเรื่องการตรัสรู้ดีของ พระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัต e ิดีของพระสงฆ์ไม่ค่อยอยากจะฟังเขาอยากจะปฏิบัติเลยเขาอยากจะปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเออเนี่ยมาปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะวันนี้เอาเต็มที่เลยนะแต่ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้นะพระธรรมเป็นธรรมดีอย่างนี้นะพระสงฆ์ทั้งหลายท่านปฏิบัติเช่นนี้เช่นนี้นะอันนี้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ายากเพราะอะไรเพราะศรัทธาของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเขาไม่มีศรัทธา